หมวดที่ 4. ภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุสมรูปคือ 1. รูปหนึ่งก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิวาสก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณในสงส์ 2. รูปหนึ่งโง่เขาไม่ฉลาดมีอาบัตมาก